ต่อเรื่องสังโยชน์ 10 พิสดาร 11 โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2531 เนื่องในงาน 11ณพุทธสถานสาลีอโศก เราเรียน 5 ประการซึ่ง 3 เป็น เห็นให้ๆนะเกิดความรู้จริงๆ หรือแม้จะวิจิกิจฉาๆ เกิดการสัมผัสหนีบใจ เออมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยๆนะลดๆเลย สัมผัสแต่ต้องได้มันเป็นอารมณ์โลเกียรส ส่วนยากๆนะโมหะมันหลงตัวมันหลงผิดเอ๊ะ <c oughs> มันต้องดูว่าเราน่าจะมีข้อบกพร่องต้องดูว่าเราน่าจะมี ฟังธรรมไปนี่ก็ฟังเพื่อจะรู้รายละเอียดซับ คนจะเราคนนี้มีราคะคนนี้มีโทสะคนนี้มีมานะคนนี้มีโอ้เป็นเขาทั้งนั้นไม่เนี่ยท่านเทศน์ให้เขา อาตมาเทศน์ให้เฉพาะตัวทุกคนโดนด่ากันไปทั่วทั่วเทศน์นี่แปลว่าด่าโดน เนี่ยโดนสวดแล้วสวดก็คือสาธยายธรรมเนี่ยจริงๆเห็นจริงๆๆๆ สภาวะอาการเราฟังจริงๆเลยนะแหมไอ้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเราโอ้นี่ คนโดนๆแม่งมันว่างี้ใช่ๆจะต้องให้จริงเนี่ยไม่ใช่พูด ภาทีโทสะทาติโกรธเดี๋ยวมันสัตว์ๆเวลานั้นเวลานี้หรือไม่พูดอย่างนี้จะพูดอย่างอื่น อ่ะจำไว้สําหรับเอาๆฟังด้วยความสํานึกฟังด้วยการตรวจ ดีแต่อาตมาเพราะฉะนั้นจะโดนด่า อ่าแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันไม่ดียังไงฟัง เพราะการฟังธรรมแล้วจึงฟังกันอยู่ตลอดเป็นพระ แม้คุณจะดูวิดีโอก็ไอ้ฟังจากวิดีโอนั่น มันสกายะการรู้ตัวรู้ตัวการๆ เห็นจริงๆเลยว่ามันเป็นทุกข์เห็นจริงๆเลยว่าเราได้รถแล้วมันพ้นทุกข์ ไม่เห็นถูก